เรื่องเล่าผีหลอนตอนผีร้านเหล้าใหญ่เขียวพอใกล้จะถึงวันสงกรานในทุกๆปีเพื่อนๆที่ไปทำงานในกรุงเทพหลายคนก็จะกลับมาเยี่ยมเยือนครอบครัวของตัวเองและส่วนใหญ่เพื่อนๆจะแวะมารวมตัวกันที่บ้านของผมเป็นประจำแบบนี้ทุกปีปีนี้ก็เช่นกัน เพื่อนบางคนกลับมาถึงก่อนสงกรานต์สองสามวันก็แวะมาหาผมโทรตามเพื่อนคนโน้นคนนี้ให้มาเจอกันที่บ้านผมในตอนเย็นเพียงไม่นานลานหน้าบ้านผมก็เต็มไปด้วยหมูกระทะกับญาติญาติกลุ่มหนึ่งและก็กลุ่มเพื่อนผมกับผมที่นั่งกินหมูกระทะกันอีกกลุ่มหนึ่งพอเริ่มพลบค่าสักทุ่มเศษ กลุ่มญาติญาติเด็กๆพ่อเขาอิ่มแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนพักผ่อนก็เหลือแต่กลุ่มเพื่อนผมห7เจ็คนที่แย่งกันพูดราวกับว่ามันไม่เคยคุยกันมาก่อนจนผมไม่รู้จะฟังใครคุยกันไปก็ชนแก้วกันไปย่างหมูกันไปพอสองทุ่มเพื่อนบางคนที่ไม่ได้ไปทำงานกรุงเทพ เมียมันก็มาตามกลับบ้านแต่เพื่อนผมมันกำลังติดลมสุดท้ายก็เลยชวนเมียมันมานั่งร่วมวงด้วยช่วงนั้นกินกันไปดื่มกันไปอะไรหมดก็วานให้เด็กในบ้านผมไปซื้อมาให้จนเริ่มสามทุ่มกว่าหลายคนก็เริ่มอืดอๆนั่งซึมกันได้แต่นั่งมองหน้ากันไปมา ผมดูในตาพวกมันแล้วประมาณว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวรอกูย่อยเสียก่อนเดี๋ยวกูด่วนด้วยแต่อยู่ๆเพื่อนของผมก็เหขึ้นผมมองไปหน้าบ้านก็เห็นไอ้จอยมันเดินยิ้มเข้ามาเพื่อนๆต่างเรียกให้มันมา น, นั่งใกล้ๆขยับขยายวงออกให้มันนั่งได้ผมเห็นดังนั้นจึงถามไปว่าเฮ้ กลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะมันก็ตอบว่าเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เองคิดถึงพวกมึงมากก็เลยแวะมาหาก่อนจากนั้นก็คุยกันยาวเพราะไอ้จอยมันเป็นคนตลกสุดแล้วในกลุ่มพวกเรากินกันไปจนเกือบเกือบเที่ยงคืนเราก็หมดน้ำแข็งก็หมดกับแกล้มก็หมดเพื่อนบางคนก็กลับไปก่อนเพราะเมียมันชวนกลับ เหลือนั่งกินกันอยู่ประมาณสี่คนตอนนั้นยอมรับเลยครับผมนี่ตาลายจนมองหน้าเพื่อนเป็นสองหน้าแล้วแต่ก็ยังไหวครับสู่ๆเสียงแต่ละคนอ่อแออ่อแอคุยแข่งกันไม่มีใครฟังใครพอผมเห็นว่าของกินมันหมดแล้วแล้วเพื่อนก็ติดลมอยากจะดื่มต่อ ผมก็เลยอาสาจะไปซื้อของกินกับเครื่องดื่มมาให้เพราะเด็กๆมันก็เข้านอนกันหมดแล้วพอผมยืนขึ้นก็เดินเซๆไปแถบจะล้มหัวขมำจนไอจ่อยมันมาช่วยพยุงจับตัวผมไว้สุดท้ายมันก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมันไปซื้อให้เองมันยังไม่เมาเท่าไหร่ผมก็เลยบอกให้มัน เอามอเตอร์ไซค์ผมขี่ไปซื้อไม่นานก็ได้ยินเสียงสตาร์ทมอเตอร์ไซค์แล้วขี่ออกไปหายไปครู่ใหญ่ไอ้จอยมันก็กลับมาพร้อมเครื่องดื่มกับน้ำแข็งแล้วก็ขนมถุงละห้าบาทผมก็ถามไอ้จอยว่ามึงไปซื้อจากร้านไหนดึกป่านนี้แล้วร้านมันยังเปิดอยู่อีกรือวะกูก็ซื้อมาจากร้านใ ย, ยเขียวไงจอยบอก จากนั้นเราก็นั่งกินไปต่ออีกสักพักใหญ่เกือบเกือบตีสองไม่ไหวแล้วตาจะปิดแล้วเสียงผมก็อ้แอแ้อ้แอแ้จนพูดไม่รู้เรื่องแล้วแต่ไอ้เพื่อนสองสามคนมันคึกมาจากไหนของมันยังจะลากยาวอีกจนผมต้องขอร้องมันวันนี้พอแค่นี้ก่อนกูไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากันเพื่อนเพื่อนทุกคน เลยแยกย้ายกันกลับบ้านตื่นเช้ามาช่วงสายๆผมก็ลุกมายืนดูอนุสรสถานที่ตัวเองกับเพื่อนได้ ส, สร้างสภาพนิเละไปทั้งลางแล้วผมก็เก็บเอาขวดขยะต่างๆไปทิ้งที่ถังขยะหน้าบ้านพวกน้องๆพี่ๆของผมเขาก็มาช่วยเก็บด้วยช่วงที่ผมกำลังเอาขยะไปทิ้งที่หน้าบ้าน อยู่ๆก็เห็นรถคล้ายๆรถตำรวจวิ่งผ่านหน้าบ้านไปแล้วก็มีรถคล้ายๆรถมูลนิธิขับตามไปด้วยผมก็ยืนดูสักพักแต่ไม่ได้ใส่ใจอะไรก็กลับไปเก็บกวาดหน้าบ้านต่อจนสักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินมาคุยอะไรกันอยู่สองสามคนผมก็เลยเดินออกไปดูถามคนกลุ่มนั้นว่า มาจากไหนเขาก็บอกว่ามาจากบ้านยายเขียวผมก็ถามว่าแล้วจะไปไหนกันคนกลุ่มนั้นก็ตอบว่าจะไปซื้อดอกไม้มาจัดงานที่บ้านยายเขียวนะเอา้าแล้วมีงานอะไรกันอะผมก็ถามกลับไปคนกลุ่มนั้นก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าก็เมื่อคืนประมาณสี่ห้าทุ่มยายเขียว อยู่ๆแกก็ช็อกเกรงลูกๆแกกนเลยพาแกไปส่งโรงพยาบาลแต่ช่วยไม่ทันไปถึงแกก็ปากเขียวหน้านิครั้มหมดแล้วหมอก็ช่วยยื้อชีวิตแกไว้ได้แค่เที่ยงคืนแกก็ไปนิวรถมูลนิธิพึ่งเอาศพมาส่งที่บ้านแกตะกี้นี่เองลูกแกก็มาตามให้พวกฉันไปช่วยงานเขาหน่อยพอได้ฟังจบผมนี่ขนหัวลุกเลยครับ เอาแล้วไอ้จอยมันไปซื้อเหล้ากับใครมาให้พวกเรากินนึกถึงตอนที่ไอ้จอยไปซื้อเหล้ากับยายเขียวตอนเที่ยงคืนกว่าแล้วก็ขนลุกเลยครับไอ้จอยมันจะรู้ไหมนั่นว่าแกซื้อเหล้ากับผีรู้อย่างนั้นผมก็เลยรีบเก็บกวาดหน้าบ้านจนเสร็จแล้วก็ไปพูดคุยกับญาติญาติผมว่ายายเขียวเกสเสียแล้วนะเมื่อคืนนี้ญญาติ ก็เลยแต่งตัวแล้วก็ไปช่วยงานศพที่บ้านยายเขียวกันส่วนผมก็แวะไปตลาดเช้าไปซื้อของกินมากินช่วงเช้าพอดีนึกถึงไอ้จอยได้ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ้านมันกะจะไปถามมันเรื่องซื้อเหล้าที่ร้านยายเขียวเมื่อคืนสักหน่อยพอไปถึงก็เห็นแม่มันกำลังล็อกหน้าบ้านอยู่ผมก็เลยถามว่าอ้าวแม่ไอ้จอยไม่อยู่บ้านหรือ แม่ไอ้จอยก็มองหน้าผมแล้วก็พูดเหมือนคนเหม่อลอยว่าแม่กำลังจะออกไปวัดลูกศพจอยเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้เองผมตกใจมากขนหัวลุกแถบช็อกหมดสติรีบถามแม่ของจอยว่าเอา้าไอ้จอยเป็นอะไรตายแม่แม่ของจอยก็ตอบว่ารถคว่มตายแถวแถวโคราชนะลูก